ชีวิตไม่เคยบอกว่าเรื่องดีๆจะมีถึงวันไหนกับบางคนถ้าคุณตั้งขีดจากัดไว้ได้ถูกว่าจะรู้จักคบหากันถึงแค่วันไหนก็อาจมีแต่ความทรงจาแสนดีที่คงไว้เพาะว่าในความเป็นจริงชีวิตไม่เคยบอกว่าเรื่องดีๆจะมีถึงวันไหนและเมื่อถึงวันสิ้นสุด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 เหมือนละครที่ไม่มีอะไรจริงมีแต่ความเปลี่ยนแปลงสลับฉากไปเรื่อยทุกฉากต้องมีเส้นสุดโดยเฉพาะฉากจบสุดท้ายที่ต้องเสียทุกสิ่งแม้ความทรงจำใครยึดไว้ก็เสียใจเปล่าตายไม่สงบเปล่ า, ลาใครปล่อยได้ก็สบายใจตายอย่างเป็นสุขง่ายๆทางเดียวที่จะปล่อยจริงคือต้องมีชาติใดชาติหนึ่ง เห็นความจริงตั้งแต่กลางชีวิตว่าทุกสิ่งต้องเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลานับแต่ลมหายใจไปจนกระทั่งอารมณ์สุขทุกข์ทั้งหลายเมื่อเห็นความจริงอันไม่เที่ยงในกายใจได้ก็จะไม่ติดใจไม่เห็นอะไรภายนอกน่ายึดน้าหวังว่าต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ตลอดไปได้เช่นกัน